เมื่อคืนนี้พูดกรรมาฐานตาระดับน่าควรจะฟังยากไปหน่อยนะแต่ความจริงการจะเป็นกรรฐานบรรดา ญ, ญาโยมพุตธบริษัทความมุ่งหมายของพระพเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้คนลงมาไยภูมิถ้ายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเพียงใดไม่ได้ใช่ขนาดไหนก็ตาม แม้จะได้พิญญาโลคีก็ยังลงอวัยวะภูมิอยู่อย่างว่าเทวทัตพระเทวทัตได้ทานด้วยได้พิญญาโลกีด้วยพอเหินจากอากาศก็ได้ในวิตรัยในวิตรัยก็ได้แต่ในที่สุดพระเทวทัตในตอนหลังกำเข้าสนหนองที่จองขุจ้าไว้กลายให้เป็นมิจฉาทิฏฐิในที่สุดก็ลงอาวุธจีมาให้ลุกไป เนี่ยนะว่าถ้าเราจะเป็นเราจะเป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้ามีสามสี่ชั้นคือหนึ่งประโสดาบันสองประสริทาคามีสามตัณาคามีสี่ก็อรหันต์ถ้าฟังเขาฟังคําว่าพระอริยเจ้าอาจจะคิดว่าหนักเกินไปแต่ความจริงไม่หนักหนักไหมไม่หนั ก, นกถ้าทาไม่ได้ พระอาริยเจ้าขั้นต้นคือพระโสดาบันความจริงความเป็นระโสดาบันในบรรดาสพพุทธประัตรตามปกติแล้วก็มีส่วนได้บ้างบางส่วนแล้วถ้าโสดาบันตัดสัญชน์ได้สามคือหนึ่งส ก, กาญธิฐิสองวิจิกิชาสามเทียบประตะปรามาต์แต่ว่า สมัยหลังนี่นักเทศเทศยากเกินไปสมัยพระพุทธเจ้าท่านอยู่ก็ดีสมัยที่พระอาหารหันตท่านสอนก็ดีคนบรรลุว่าผลได้ง่ายมาตอนหลังนี่รักกางหันเทศอาจารไงหมุนไม่ไหวเศษซะจนต้อ ง, งไปก็ไม่ได้แต่การยรมปรสดา บ, บันท่านตน โสดาบันมีสามขั้นพระนะรนดำก็ทุกที่วนะหนึ่งสตากสตุสตงสองโกลังโกละสามเ อ, อกภพสี่นี่เรียนลาดัย บ, บย้อนบาลีนะถ้าโสดาบันขั้นต้นมีอะไรบ้างหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายคิดได้ไหมได้นะ ต้องตายก็นแน่ไม่มีใครอยู่จะตายมาหนุ่มมาสาวหรือจะตายมาแก่ก็ไม่แน่นอนนักงานก็ต้องตายให้คิดว่าชีวิตนี้ต้องตายมันน่าู่เป็นของไม่ยากโ อ, อ้โหธรรมดาเขาตายเราดูแล้วก็ประ ก, การที่สองไม่สงสัยในความดีของพระเจ้าพระธรรมพระอาริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจแต่การที่สาม มีสินห้าบริสุทธิ์ท่านีเองแล้วก็ประการที่สรรี่เรื่อับปฏิบัติมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คือจิตต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานฉะนั้นโสดาบันก็ยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงยังมีความรักในระหว่างเพศเหมือนชาวบ้านธรรมดา ดูตัวอย่างนาวิสาขามาหาบาซิกาเป็นประโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ปีพออายุสิหกปีก็แต่งงานหรือว่าพัญญาเขคคาคขาพลาดคขาาดนั่นอายุสิหกปีเจอในแฟนเข้ามีความรักตามในแฟนไปอยูด่ ด, ด้วยกร ง, วงความประโสดาบันก็คือจะบ้านฉันดี ไม่ค่าสัตวไม่รักทัพไม่พัฒนกามไม่พู้โดสาวาดและเดืสุราอน ไ, ไมมีไรความสําคัญของพระโสดาบันก็อยู่ที่ศีลตามที่พระเจา้าทรงตัดว่าพระโสดาบันก็ดีถ้าสิทธาคา ม, มีก็ดีเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์เข้าใจไหม ไหวนะฟังเนี่ยไหวทำได้ไหมทุกั์อะไรอุสาวาทาวีระวันีสิขาวดังสมาธิยามิไอตัวนี้ตัวสำคัญนะไงแต่ถ้าเธอจะเป็นพระโสดาบันยิงเราทำยังไงก็ต้องเจริญสมาธิตามธรรมดาเพื่อจิตทรงตัวสู้กับนิวร แต่ก็อย่าใช้เวลามากเกินไปการทรงสมาธิให้เวลาพอสมควรถ้าขณะนั้นจิตยังเป็นสุขอยู่ก็ทำสมาธิเรื่อยไปถ้าจิตเริ่มกระสับกระส่ายมากเกินไปบังคับไม่อยู่ก็เลิกซะตอนนี้ขณะที่เจอสมาธิเฉยๆอันนี้เราเป็นประโสดาบันไม่ได้ต้องใช้อารมณ์คิดด้วยสุ ป, ปัญญา เมื่อจิตเริ่มมีสมาธิพอสมควรก็เริ่มใช้ปัญญาคิดว่าพระโสดาบันคนเป็นโสดาบั น, นเนบียอะไรบ้างหนึ่งชีวิตนี้ต้องตายแล้วก็ดูตามความเป็นจริงว่าเราจะตายจะไม่ตายมเมื่อคนเกิดก่อนเขาตายก่อนเราไปแล้วเราก็ต้องตายคนเกิดพร้อมกับเราตายไปเยอะเราก็ต้องตาย มันเกิดที่หลังตายไปแล้วก็มากเราก็ต้องตายเหมือนกันในเมื่อชีวิตของเราจะต้องตายร่างกายจะต้องตายแต่ว่าจิตใจจะไม่ยอมตายด้วยนั่นคืออธิส ม, มานะกายร่างกายตายก็ตายไปจิตใจจะไม่ยอมตายแล้วก็จะไม่ยอมลงอบายภูมิ นั่นคือว่าตามธรรมดาคนที่ตายไปแล้วนี่มีสภาพไม่สนจะเป็นปนื้อกระูนทิดว่าความดีที่ทําไปแล้วความชั่วที่ทำไปแล้วจะไม่ให้ผลอันนี้ไม่จริงคนเราเกิดมาทุกคนเราสร้างความดีความดีก็ให้ผล ข, ข้าเราสร้างความชัว่วความชั่วก็ให้ผลความดีให้ผลเมื่อตายไปแล้วขึ้นหนึ่งอย่างน้อยก็เป็มนุษย์ธรรมดา ในการที่สองเกิดออสวรรค์ใการที่สามไปเกิดบนพุทธมโลกในการที่สี่ไปนิพพานอะไรผลของความชั่วคือบาปช่วยให้เราไปไหนไปเกิดเป็นสัตว์มกบ้างเป็นเปรตบ้างแต่เสือกายบ้างเป็นสเปชานบ้างถ้าจะถามว่าเราทำบุญล้างบาปได้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ได้ บาปก็ส่วนบาปบุญก็ส่วนบุญขอนำเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะพูดแต่ก็อยากจะพูดจะพูดทุกอย่างใครว่าอะไรใช่ไหมก็ใครจะเถียงคือว่าเมื่อสองสาคืนที่ผ่านมาก่อนน่าจะมาในสองวันถ้าการท้งร่างกายมันไม่ดีหรือ น, นั้นมันป่วยมาก เมื่อร่างกายป่วยมากท่าได้จิตใจก็ไม่ยอมป่วยด้วยอารมณ์แรกประจกักษ์ปณิพันธ์เป็นอารมณ์อันนี้ต้องถือเป็นปกตินะถือให้เป็นปกติว่าถ้าเราตายเมื่อไรก็ปาปณิพันธ์มันนั้นจิตก็สบายเมื่อจิตสอาจก็เอ็นพระท่านมาไ่้นคือโอสมเด็จอวทงท่านมาท่านถามว่าจะไปเที่ยวไหม ก็บอกว่าไปแล้วก็พาไปทเทวัสพานเทวะที่บรร ด, ดุกระมวลจะอาจจะสมัยก่อนนั้นแวะไม่ได้แล้วเพราะว่าทเทวาดากับผมมากที่นั่นไม่พอบรรจุทเทวาดากับผมถ้าเวลาไปเนะก็ไปที่เทวัสพาน <c> เ <oughs> มื่อไปถึงเทวัสพานแล้วแม่เลยบอกว่า หน้าที่ของคุณมียังไงก็ทำตามไปก่อนทำวยก่อนก็ทำตามหน้าที่คือขอบคุณทุกท่านที่ส่งเราะหนหมายความว่าการทำงานทุกอย่างเนี่ยเทวดาก็ดีนาวฟ้าก็ดีฟงก็ดีเท้งหมดท่นช่วยช่วยท่ า, านจักรวาลช่วยสามมาด้วยช่วยโยมด้วยนะใช่ไมต้องคืก็มายเยอะอันี้ก็มากเมื่อขอบคุณดันเสร็จ พระพุทธเจาธ้าเสงอเทศเทพโรดเทวดาโปรดนางฟ้าปรดลมอาตมาก็ฟังด้วยท่านเทพไม่ยากสมบกักิเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีผมก็ดีทั้งหมดจงอย่าเมาในความเป็นคิดจงอย่าคิดว่าเราเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือผมเราจะมีความสุขตลอดการาลตลอดสมัยความจริงไม่ใช่ เทวดาดางฟ้าฤาษีรมมาหมดอายุไขอันดังสมาที่หมดบุญถ้าใครขังบาปอยู่ทําบาปไว้ก่อนแต่ยังไม่ลงอบายาพรมมาสวรรค์ก่อนมาภรมก่อนก็ต้งลงอบายาพรมไปถ้าใครสร้างความดีไว้มากก็อาจจะเกิดสัมมนุษย์ที่มีความสุขแต่ดินแดนอบายาพรมก็ดีทัานชีให้อยู่พอท่านชี้ปั๊บจเห็นนรกทั้งหมด ดนเปรตอสศุกายสังชารเห็นหมดเห็นชัดเกินมากทัานบกเทวดานางฟ้าผูมนั้งหมดจงดูเสียอันนรกมีความสุขด้วยความทุกข์ไฟมันไหม้ึกคึกใช่ไหมไอ้หอกก็แทงดาบก็ฟันค้อนก็ทุกข์ขึ้นก็เป็นเหล็กแบงไฟก็ไฟก็แดงโชนเป็นทุกข์ให้ดูแดนเปรตเปรตก็เป็นทุกข์ ตัวแดนอสุรกายอสุกายก็เป็นทุกข์ตัวแดนสัติชานสตัตวิฉันมีสองพวกสัตวิชานที่มีคนของเคราะก็มีทุกข์น้อยหน่อยถ้าสัติชานที่ไม่มีคนของเคราะก็ทุกข์มากหน่อยแม้แต่สตัตวินที่มีคนของเคราะหก็ยังมีความทุกข์เพราะมีความปรารถนาไม่สมหวังอย่างคนคิดว่าสุนัขจะต้องกินเนื้อเสมอไปใช่ไหมต้องใ้กินทุกวัน แล้วมันอยากกินอย่างอื่นทำไมาพูดไปเรื่องหมายความไม่รู้ภาษาหมาที่หลังต้องเรียนภาษาหมาด้วยนะจะได้เข้าใจกันให้กินเนื้อทุกวันในเมื่อมันไม่มีอื่นจะ ก, กินมันก็ต้องกินมันก็รู้จักเบื่อกันกันอยากกินกาไม่ได้กินถ้าไม่ได้กินตามความประสงค์ติดก็เป็นทุกข์พอมาทั้งบ่ดูแต่ ม, มนุษย์ ดูที่โลกมนุษย์ ม, มีความสูงหรือมีความทุกข์มนุษย์มีชีวิตชั่วคราวประเดี๋ยวเดียวอายุไขเวลานี้แค่เจ็ดสิบห้าปีไม่ถึงหนึ่งวันในดาดึงธิวบาร์ดาวฟาสเชนดาวดึงเนี่ยเขามีชีวิงเขาพันปีทิพตวร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขา เราเมื่อชีวิตเต็มอายุขยัย75ปีนี่ไม่ถึงวันของเขาใช่ไหมถ้าดูมนุษย์เดินไปเดินมาหากินกินมั่งนอนมั่งชี่มั่งเที่ยวมั่งมีไหมไม่มีไม่มีที่บ้านมันต้องทำส่วมมีแต่ดินมีแต่ความทุกข์ประเดี๋ยวก็ตายไม่มีใครมีความสุขถ้าท่านก็ชี้ให้เดนินผ่าน พอเทวดากับพมทั้งหมดนาฟ้าทั้งหมดดูพระนิพพานพอท่านชี้ดูเทวดากับพมก็มองเห็นนิพพานชัดท่านบอกว่าเวลานี้เราก็้ามาครึ่งทางแล้วมาสวรรค์ก็ดีมาพรหมก็ดีทุก ค, ครึ่งทางเขงจาจะมนุษย์ปนิพพานให้ทุกองค์ตั้งใจนิพพานไโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างนี้อย่างเทวดานาฟ้ากับพรหมเรื่องเก่ามีความเข้าใจดีแล้ว แสดงว่าเทวดานางฟ้ากับผมเรื่องเก่านี่เป็นพระอาริยเจ้ามากที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีความเข้าใจดีแล้วก็หมายความว่าเขาเป็นพระเขาเป็นพระอาริยเจ้าแล้วแต่ว่าท่านเป็นห่วงเทวดานางฟ้ากับผมที่ยังมาใหม่เกิดว่าพบชีวิตใหม่ในความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นผมมีความสุขแต่ว่ายังลืมตัว มีความรู้สึกว่าชีวิตที่จะต้องสงตัวต่อการต่อสมัยนั้นไม่เป็นจริงให้ทุกคนตั้งใจปณิพันธ์โดยเฉพาะอย่างนี้อันดับแรกให้เทวดาวนางฟ้าผูา้นบดทำตนใ้ถึงพระโสดาบันเป็นขั้นแรกถ้าได้พระโสดาบันแล้วให้ทําร็จเป็นพระอรหันต์เลยนี่เป็นอนุภาพพระพุทธเจ้าสเทศ ง, ง่าย เราฟังก็ง่ายง่ายไหมปฏิบัติยากนะเราเทวดากับนางฟ้าและคนี้เขาได้เียบเราหนึ่งเขาไม่ต้องกินข้าวเขาไม่หิวเขาไม่ร้อนเกินไปเขาไม่หนาวเกินไปเขาไม่มีอยการป่วยไข้ไม่สบายไปไหนเขาไม่เหนื่อยเขาดีทุกอย่างถ้าเปปฏิบัติความดีเ้าก็เขาทำได้ง่าย ดนั้นพวกเราเหล่าพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันเวลานี่ถึงแม่เราจะอยู่ต้นทางยังเดินไม่ถึงปลายทางคือพระนิพพานแต่ว่านล้แตยังจะไม่ถึงคึ่งทางคือสวรรค์ก็ผมก็ตามแต่ว่าทุกคนถ้าตั้งใจดีแล้วพยายามทรงความดีไว้หนีบาปบาปนี่จะล้างไม่ได้นะ เราล้างบาปไม่ได้เราทาลายบาปไม่ได้แต่ว่าเราหนีได้วิธีหนีคือว่าไม่นึกถึงความเลวที่ทำไปแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงสั่ว่าขึ้นเที่ยความชั่วที่ผ่านมาแล้วให้มันแล้วกันไปอย่าตามนึกถึงมันตั้งใจอย่างเดียวนึกถึงความดีความดีที่เราจะนึกถึงก็อยู่ในขอบเขตไม่ได้มีความหมาย มีจุดหมายประยทางยังเลกส่งเด็กไปพื้นหนึ่งชีวิตนี้ต้องตายเราคิดไว้จะตายเมื่อไหร่ก็ช่างแต่เวลานี้เราจะสร้างความดีความดีที่จะสร้างคือหนึ่งยอมรับรับถือพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพสองยอมรับรับถือพระธรรมด้วยความเคารพสามยอมรับรับถือพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพ เราพอกกันดีสามเราจะส่งส <c oughs> ิน like ห้าให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีปฏิบัติเอาแบบง่ายๆสะดวกูกลางวันก็ดีหัวค่ำก็ดีเราย่อมมีงานเวลาทำไงก็ทำไปตามหน้าที่ทุกอย่างเพื่อความไป็อยู่เป็นสุขถ้าพอเริ่มนอนทิศตะวันึหมอนว่างงานตอนนี้เราก็นั่งพิจิตรคุณพโสดาบันเมื่อไรบ้าง อารมณ์ที่ถึงพระโสดาบาันขึนหนึ่งคิดว่าชีวิตนี้ต้องตายก็ต้องคิดว่าเรานอนเวลานี้ถ้าจะมีโอกาสเห็นแสงอาทิตย์วันพรุงนี้จะไม่เราไม่ทราบถ้าอาจจะตายก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องขอยอมรับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจแล้วก็ประการิ3สามสินห้ามีอะไรบ้างหนึ่งป า, านาทิบาต สองอธินาทานสามกามมีสมิสาชารย์สี่มุสาวาดห้ากนันเป็นสุราในไมรไรจะไม่มีสหรับเราต่อไปตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายนั่งไรเบีอย่างนี้ทุกวันคิดว่าถ้าตายเมื่อไรเข้าไปในผ่านเมื่อนั้น <c oughs> ในเมื่อเรานั่งคิดแบกนี้ทุกๆวันจิตนันก็จะสินกับอารมณ์ เมื่อในไม่ชาเราก็สามารถจะทรงสินห้าได้บางวันเราคิดว่าเราจะไม่ท้ า, าจะมาเจเพลแต่คิดไว้ทุกวันก่อนหลับคิดเพื่นใหม่ใหม่คิดหน่อยหนึ่งให้เวลาดียวเดียวพระวจนะเจาจบอกว่าถ้าใช่อารมณ์แค่นี้ไม่ชาอารมณ์มันก็ชินในเมื่ออารมณ์เราชินมือมันก็ไม่ทําปากก็ไม่พูด คมือไม่สร้างความชั่วปากไปพูดถึงความชั่วการยับยั้งมันมีทุกวันที่เราคิดในเมื่อการยับยั้งมันมีอยู่ในประการนที่สุดท้ายจิตนึกถึงถผลิตภัณฑ์เป็นอารมณ์ในเมื่อจิตนึกถึงถผลิตภัณฑ์เป็นอารมณ์อย่างนี้เราต้อง ก, การนิพพานทุกคืนทุกวันจิตนั้นก็ชินทําไปอย่างนี้เป็นปกติตเราทั้งขณะใ ด, ดก็ตามวันไหนก็ตาม เมื่อที่สักถึงหมอนมันจะคิดอย่างนี้ทันทีโดยไม่ต้องบังคับอย่างนี้ถือเป็นฌานแค่ก็เป็นประโสดาบันแรกเอาเลยเอาแล้ห้ามโกหกนะการปัจโสดาบันทําไมจะเป็นได้ง่ายๆความจริงมันเป็นไม่ยากเพราะเจ้าสอนไม่ยากพระที่ฟังมาแล้วก็ไม่ยากตัวอย่างสุภะพุทธะุทธิ เรื่องนี้เล่าหลายครั้งก็ต้องเล่าเรื่อยๆไปนะที่พูดให้ฟังเรื่อยๆก็เทียบเท่าว่าเขาเป็นขอทานด้วยเขาเป็นโรคเรื้อนด้วยและเขามีความทุกข์ก็รู้จักทุกคนขอทานมีความทุกข์เพราะว่าแม่ไม่มีจะกินจะใช้ต้องขอเขาถ้าเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคร้ายจะเราคนนังเกียด ในวันหนึ่งองค์เสด็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนเช้าเมือสส่อส่งทราบว่าวันนี้สุปภาพุทกุติจะได้เป็นประโสนดาวันถ้าเธอจะไปขอทานทําไหนเ <c oughs> มื่อรงค์อํานาจดข้ยาพเธ้าก็ ส, งส่งทราบว่าวันพรุ่งนี้สุปภุทกุติจะไปสายโน้นท่านก็ไปนั่งระหว่างทาง แต่จั้งระหว่างทางมาชบ้านเขาทราบพระเจ้ า, าเสด็จไปเขา่็นั่งล้อมฟังเทศจากพระเจ้าก็พอดีสุปาภูธาภูติไปถึงพอดีแต่ว่าต้องนั่งไกลๆไปหน่อยเพราะไปนอกเครือ่องเราเขาทานด้วยใช่ไหมจั้งไกลมันได้พระเจ้าก็ส่งเทศเทศอารมณ์ของพระโสดาบันตานที่พูดคำนี้อย่างไม่อกี้นี่นะว่าทุกคนนั้นก็คือความตายเป็นโมติยังไงไงเราก็ต้องตายกันแน่ เมื่อเราจะตายคนอยันหนีเอาไว้ผูกในสันยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าประทานพระอริยสงฆ์ให้อย่างน้อยที่สุดคนมันสี่ห้าบริสุทธิ์ตั้งใจเพื่อนิ่พันเป็นปัจจัยในอารมณ์ท่านเทศท่านสั้นเพียงเท่านี้เมื่อเทศจบองค์ส่วนใหญ่ปฏิณสีก็าลาไปกลับชาวบ้านก็กลับกูเปล่ากูทักกูสิวันนั้นไม่ไปขอทาน เขาฟังแทจ้จบก็รู้ตั ว, ตวทันทีว่าเราเป็นปะโซดาวันแล้วคนที่เป็นปัโสดาวันเขามีความรู้สึโกโสดีวิญญาณพิเศษญาณนี้เรื่องรู้บอกให้ทราบมันหมายความว่าพระเจ้าบอกว่าจงนึกถึงความตายนี่เขาเคยนึกถึง แ, แล้วเพราะเขาป่วยใ่การที่สองจงยอมรับต่ถึงพระพุทธจเจ้าพระธรรมพระอาริยสงฆ์อันนี้เขามีแล้วอาการที่สามจงมีสินห้ามบริสุทธิ์อันนี้เขาเข้าใจ ให้ทุกต้องการผลิตภัณฑ์บนที่ไปเขาทราบเพราก็มั่นใจว่าเขาเป็นประโสดาวบาัญเขาก็ไม่ไปขอถานกลับบ้านนอนกลับบ้านอยู่ด้วยความได้ปีติคือความอิ่มใจ <c oughs> แต่พอถึงเวลากลางคืนก็คิดในใจว่าเออเวลานี้เราเป็นขอถานด้วยเราก็เป็นโลกเรือนด้วยเป็น ท, ที่น้าเกลียดของคน แต่ก็ฟังเทศองค์พระเดชพระพุทธเจ้เราเป็นประโสดาบันถ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าคนที่เป็นฮอทไทน์ก็ดียันโรคเลื้อนด้วยเป็นประโสถดาบันพระอคคงจะดีใจมากแต่พระพุทธเจ้าไม่รู้นะคนยิงท่านรู้ถ้านไปดักให้อยู่แล้วใช่ไหมนั <c oughs> ่นเป็นความรู้สึกของเขาตอนเช้าเมื่อกินข้าวเสร็จก็ตั้งใจจะไป็นพ่ของพระพุทธเจ้า พอไประหว่างทางพระอินทร์ทราบก็ลงมาในร่า ง, งพระอินทร์ครบถ้วนเป็นพระอินทร์ชัดถามว่าสุปราพุทธกุฏิถ้แปลโดยภาษาไทยว่าอิตาสุปราพุทธขี่เรือนไปไหนอย่ไหมแปลเป็นไทยนะไอ้กุฏิเราขี่เรือนใช่ไหมจะไปไหนถ้าสุปราพุทธกธุฏิบอกว่าฉันจะไปพ่อพระพุทธเจ้า พระภกอินก็ถามว่าเธอจะไปเฝ้าทําไมเขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้ฉันฟังเทศเจากพระพุทธเจ้าฉันเป็นระโสดาบันฉันจะไปกราบทูลนรโอทองทราบตรงจะทรงดีใจมากเพราะฉันเป็นระโสดาบันพระภกอินก็อยากจะลองใจสุปภาพุทากุติว่าจะเป็นระโสดาบันจริงหรือไม่จริงจึาบอกว่าเอางี้ก็แล้วการสุปภาพุทากุธิธรรมสารีสนะ ภาษาไทยมันหนักไปหน่อยทิาสุปาภูธะขี่เรือนใย่ไม <c oughs> <c oughs> ถ้าหากว่าเธอจะพูดตามฉันพูดถึงแม้ว่าไม่ตั้งใจก็ตามถ้าเธอพูดตามฉันฉันจะบัรดาลให้เธอเป็นคนสวยสายจะโรคเรื่อนระดับ่ปฏิบทติไปจนไปแล้วจะบันดาลซักตรงมาให้เต็มบ้านเต็มเรือนเส็นมหาเศรษฐีในวันนี้สุกาภูธะกุ้ิก็ถามว่า แค่พูดก็ายัางไงพี่เองก็บอกว่าให้พูดเฉยๆก็ได้นะไม่ต้องตั้งใจพูดเอาแค่พูดลอยๆไปแล้วกันว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์พูดลอยๆไม่ต้องตั้งใจก็ได้เท่านี้แหละใช้าจาับบรนดาในใจหายใจร่างเืนได้เป็นคนสวยอย่างนี้ใช้จะบรัดาลทัพยปตะจากอากาศให้เป็นมาหาเศรในวันนี้ ผู้ป่าผุ้ทกกุฏิกจะชี้หน้าพระอินทว่าพระอินถอยจนถอยไปเห็นไหมเก่งเขาด้วยไหมทำไปเล่นไปกี่เรื่องนี่จะไม่ค่อยนะพระอินถอยจนถอยไปท่านว่าเราเป็นคนจนความจริงเราจนในโลเกียรับแต่ว่าอาเลียรับขอเราสมบูรณ์บนอูมากเราจะไม่ยอมพูดตามท่านนัทษก็หีกไป นี่เป็นเพราะเราพิสูจน์ด้วว่าคนที่เป็นบรรษัทดาบาดาลมีความไม่คงในพุทธศาสนาที่ว่ายอมรับต่อพระพุทธเจ้าก็ทำพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจแล้วก็มีสิ่งห้าบริสุทธิ์ก็ท่านี้รบรรดาเจ้าผู้ดุไวสัตว์หวังว่าไม่เกินวิสยัยบุรดาท่านบาที่เพิ่งทำได้นะขอบรรด า, า, าท่านหลายทุกคนก่อนจะหลับใช้สองเวลาก่อนจะหลับนึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย มันจะตายเมื่อไรก็ช่างมาเป็นของธรรมดาของมันเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจสาหรับพระเนี่อัตมาใช้เสรรพพระอริยสงฆ์เนี่ยพระจะมีสองประเภทพระธรรมดายเประเภทหนึ่งพระอระิยเจ้าเป็นเภศหนึ่งพระอริยเจ้าเนี่ไม่แน่นอนนักดีไม่ดีถ้าอาจจะสู้เราไม่ได้ก็มีเพราผมมีอยู่บ้างนะ แล้วก็ประการที่สามเราจะมีสินห้าบริสุทธิ์ธรรมัะระวบ้าเรียกสินห้ามากประการที่สเราต้องการปฏิบาติไปที่ไ ป, ไปถ้าคิดอย่างนี้ก่อนหลับพอเติมใหม่ๆแถวที่ยัว่า ง, างยังว่าจากงานก็คิดอีกครั้งหนึ่งเอาวันละสองครั้ง <c oughs> เอาให้แน่นอน <c oughs> จนกระทั้งถึงเวลาขณะต่อไปก็หัวทิศถึงหมอนมารจิตไปคิดทันทีเลยว่าต้องมดครับ อย่างนี้ถือว่าทุกคนมีจิตใจทรงฌานในด้านประสดาบัน um เป็นประสูดาบันแน่นอนอะิยบุรุษญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายุดมาพุทธลายสิบสามแผ่นคอจะแผ่นไม่ไหวหมดเวลาพอดีเขาทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมา